นัทธกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อก่อนนี้คุณนิสาเนี่ยแกเป็นคนชอบทําบุญด้วยการให้ทานแล้วก็ชอบไปทําบุญที่วัดอยู่เสมอพอมีเงินมีเวลาก็ไปบ่อยบ่อ ย, อยการทําบุญของแกในที่นี้หมายถึงว่าไปกราบพระ แล้วก็นำข้าวของไปถวายพระด้วยเพราะว่าตอนนั้นเธอก็คิดว่าตัวเองไม่มีเวลาไปนั่งถือศีลสวดมนต์นอนวัดหรือว่าปฏิบัติอะไรแบบนั้นเหมือนไม่ถูกจริตเธอคิดไปเองว่าทนอยู่วัดนั้นนานไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรมันอึดอัดบอกไม่ถูกก็เลยทำตามที่ใจชอบจะดีกว่าการทำบุญแบบนี้นะตอนนั้นนะคิดว่าเมื่อทได้ทำแล้วก็สบายใจได้กราบพระก็มีความสุข ได้ถวายของใช้ให้พระท่านเราก็อิ่มใจเหมือนกับเราได้รู้จักการให้ทานการเสียสละไม่ตรีชีวิตนี้เราก็จะได้ของกินของใช้ดีๆเรื่อยไปยิ่งเธอมีปัญหาชีวิตทั้งจากที่ทํางานแล้วก็จากครอบครัวหนทางที่เดินมันเป็นทางตันล้ว น, วนๆเธอก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนอกจากเดินสายกราบกลานทําบุญยิ่งอยากสมหวัง เธอก็ต้องทำบุญให้มากทำทานให้เยอะดังนั้นของที่เธอนำไปถวายพระเธอก็เลือกแล้วเลือกอีกเพราะว่าคุณย่าคุณยายคนเท่าคนแก่เคยสอนไว้ว่าจะทำบุญทั้งทีก็ต้องทำให้ดีของที่ถวายพระต้องประนีตถึงจะได้บุญมากตอนยังเล็กๆคนนิสาก็เคยได้ช่วยคนเท่าคนแก่ท่านทำอาหารขาวหวานไปถวายพระเธอได้ความรู้จากคนสมัยนั้นมาว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างเพื่อถวายพระ เราก็ต้องพิถีพิถันต้องทำดีที่สุดอย่างเลือกกล้วยมาทำขนมก็ต้องเลือกที่ลูกอวบๆกลมๆสีเหลืองสวยทั้งที่พอเอามาทำขนมเปลือกกล้วยก็ไม่ได้ใช้สักหน่อยแต่ก็ไม่รู้ละเมื่อตั้งใจทำแล้วก็ต้องถี่ท่วนไปทุกเรื่องถ้าเป็นของกินของใช้เธอก็จะเลือกของที่ดูดีมีราคาแพงของดีๆบางอย่างไม่เคยได้ใช้เองไม่กล้าซื้อใช้เองเพราะมันแพง ซื้อมาใช้ก็ดูเหมือนจะเกินตัวเกินฐานะไม่เจียมแต่คิดว่าถ้านำไปถวายพระแล้วอันนี้สงฆ์จะทําให้เธอได้ใช้ของดีๆไปด้วยอันนี้เธอคิดเอาเองนะเป็นความเชื่อส่วนตัวถ้าเป็นคนสมัยนี้ก็คงจะเป็นอย่างที่เขาชอบพูดพูดกันว่าเอ้อเอาล้เอาที่สบายใจแล้วกันแต่ว่าการทําบุญแบบนี้ของเธอในหลายๆครั้งต้องเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเสมอคงจะเพราะว่าเธอเปลี่ยนวัดบ่อย ไปวัดไหนก็เจอแต่เรื่องไม่ถูกใจทั้งนั้นบางทียังไม่ทันได้ทําบุญเลยพื้นเสียอารมณ์เสียแล้วมันก็เสียเลิกหมดอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอเตรียมข้าวของตั้งใจจะไปทํำสังฆทานที่วัดแห่งหนึ่งก็ไม่ได้โด่งดังอะไรไม่เป็นที่รู้จักด้วยซ้ําอันที่จริงวัดดังๆเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าไปหรอกเพราะว่ากลัวคนมองกลัวว่าของของเราจะไม่ดีพอแล้วถ้าเป็นวัดดังๆก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีคนเข้ามาทําบุญกันเยอะอยู่แล้ว พระเนนก็ไม่ขาดสนอะไรแต่วัดที่ไม่ดังไม่เป็นที่รู้จักนี่สิที่วัดเนี่ยก่อนที่คุณนิสาจะเข้าไปในสลาก็มีผู้หญิงตัวอ้วนดำทําหน้ายักษ์เลยเดินถามว่ามาทําอะไรนิสาก็บอกไปว่ามาถวายของพระผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าถ้าจะมาทําบุญกับท่านก็ต้องหยอดตู้บริจาคให้ทําบุญก่อนอย่างน้อยต้องร้อยบาทถึงจะเข้าไปได้คุณนิสาก็งง เพราะว่าวัดไหนๆก็ยังไม่เคยเจอระเบียบอะไรแบบนี้มีหนําซ้ำเธอคนนั้นยังถามอีกว่าแล้วจะทําสังฆทานด้วยใช่ไหมใส่ซองมาด้วยหรือเปล่าใส่มาเท่าไหร่ถ้าที่นี่อย่างน้อยต้องใส่สองร้อยขึ้นไหมนะได้ยินแบบนี้คุณนิสาเดินมาออกจากวัดเลยไม่ทงไม่ทามาแล้วไม่คิดเลยว่าพวกหากินกับวัดนี่จะแรงได้ขนาดนี้แต่อารมณ์เสียกับพวกเหลือปไรเห็บเหาที่หากินกับวัด อ้งกับพระกับเจ้านี่ยังไม่เท่าไรมาเจอกับตัวพระสงฆ์องค์พระเจ้าสาวกของพระพุทธองค์เขานี่สิเธอก็าผ่านอารมณ์เสียอีกเหมือนกันทําบุญที่ไหนครั้งใดทําไมถึงเจอแต่พวกมารศาสนาทั้งนั้นคุณนิสาอกหักจากการตั้งใจจะไปทําบุญถวายสังฆทานหลายครั้งเข้าของที่ตั้งใจจะถวายก็ไม่ได้ถวายแล้วแกก็อดคิดไม่ได้ว่า เงินใส่ซองที่เรียกว่าปัจจัยกับข้าวของต่างๆที่เราซื้อมาที่เราตั้งใจจะนำมาถวายวัดให้พระให้เนรได้ใช้สอยนั้นบางทีอาจจะไม่ได้ดเป็นไปตามเจตนาของเราก็เป็นได้สบู่ยาสีฟันอะไรทั้งหลายที่เราอุตส่าห์เดินเลือกหาแต่ของดีของแพงอาจจะกลายเป็นของใช้ให้นังอ้วนดำหน้ายักคนนั้นเอาไปใช้แทนซะนี่คิดแล้วก็เจ็บใจเธอก็เลยไม่ทาบุญแบบนั้นแล้ว ในเวลาต่อมาเธอก็เลยเจียดเงินเท่าที่มีไปหาซื้อของใช้จําเป็นที่ต้องใช้ในพิธีการแทนจะดีกว่าพวกแจกันดอกไม้กระถางทูบเชิงเทียนแล้วก็พระพุทธรูปไปถวายวัดแทนอย่างน้อยของพวกนี้ก็จําเป็นต้องใช้ในวัดพิธีไหนก็ต้องได้ใช้ทั้งนั้นแล้วเราได้ถวายกับพระท่านโดยตรงเลยท่านก็จะได้ใช้ในพิธีโดยตรง การจะนำไปถวายก็คงไม่ต้องผ่านในหน้าพวกเห็บเหามาเรียกร้องให้ใส่ซองใส่ตู้บริจาคอยู่หน้าประตูะคนพวกนั้นน่ะเอาไปใช้เองที่บ้านไม่ได้กว่ า, าไปขายต่อนอ่คิดแล้วเสงแต่ก็ยังว่าละเธอบอกว่าดวงของเธอยังไงไม่ทราบดันมาเจอเรื่องที่ไม่ควรจะได้เจออีกหนนั้นเธอไปบูชาพระพุทธรูปที่ร้านมาองหนึง ตั้งใจจะนำไปถวายที่วัดที่ยังไม่เคยไปมาก่อนเป็นพระทองเหลืองอย่างดีดูดีมีราคาพอสมควรใครดูแล้วก็รู้แล้ ว, ว่ามีราคาพอเธอนำไปถวายที่วัดแห่งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพอจะลากลับหลวงพ่อจะอว่าท่านก็ยิ้มกลิ่มแล้วก็ถามกลับมาว่าหลวงพ่อองค์นี้สวยดีนะโยมโยมจะบูชากลับไปเลยไหมล่ะอาจจะมาให้โยมบูชากลับไปที่บ้านเลยนะพันนึง เธอได้ยินแล้วก็อึ้งไปเลยไม่เคยคิดว่าจะได้ยินอะไรแบบนี้จากสาวกพระพุทธเจ้าด้วยซ้าตลอดทางที่กลับบ้านเธอก็มาคิดว่านี่เราก็เสียเงินไปบูชาพระพุทธรูปจากร้านค้าเพื่อนามาถวายพระแล้วแล้วทำไมเราจะต้องเสียเงินซ้ำเพื่อบูชาพระพุทธรูปกลับไปอีกทำไมพระพูดไม่คิดอยากจะได้เงินพันหนึ่งก็บอกมาตรงๆจะได้ไม่ต้องไปเดินหาบูชาพระพุทธรูปมาให้ถวายให้เมื่อย แล้วถ้าเธออยากจะได้พระพุทธรูปแล้วเธอจะเอามาถวายวัดทําไมชาวบูชาจากร้านก็นําไปตั้งบูชาไว้ที่บ้านเองเลยไม่ดีกว่าหรือเอเธอก็ไม่ได้เป็นคนร่รํารวยอะไรแล้วพระพุทธรูปที่เธอเอาไปถวายให้ก็เพราะว่าอยากจะถวายให้วัดเอาไว้ใช้เอาไว้ให้คนกราบคนไหว้วันนั้นพอท่านเห็นว่าคุณนีสาไม่บูชากลับไปแน่ๆพระก็รีบไปคนนําไปเก็บไว้ในกุฏิ เธอก็รู้ว่าคงจะเก็บไว้ให้คนอื่นเอาไปเช่าบูชาต่ออีกแน่นอนเออมีครั้งหลังสุดนี่เธอตั้งใจจะนำหนังสือธรรมะที่สอนเรื่องการปฏิบัติไปถวายให้วัดเพราะตัวเธอเองไม่ชอบปฏิบัติอย่างที่บอกมาแต่แรกชอบทำบุญด้วยการให้ทานทาทานเพราะคิดว่ามันก็ได้บุญเหมือนๆกันเป็นการทาบุญแบบง่ายๆแค่เรารู้จักการให้เราก็เป็นสุขแล้ว แม้ว่าการทําบุญทุกครั้งเธอจะไม่อิ่มใจเลยก็ตามหนังสือเหล่านั้นที่เธอนํามาถวายให้กับวัดก็เพราะคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับญาติโยมที่มานอนวัดหรือว่าพระเนนที่บวชเรียนแล้วก็ฝึกปฏิบัติทํำไมอย่างนั้นเขาจะพิมพ์มาขายทําไมดังนั้นเธอก็เลยไปหาซื้อมาแล้วก็รวบรวมเอามาจากที่ได้รับแจกบ้างมีคนให้มาไว้ก่อนหน้านั้นบ้างรวมแล้วก็ได้หลายเล่มอยู่ทั้งๆ ท, ที่ช่วงนั้นไม่ค่อยจะมีเงินแต่ใจก็อยากจะทําบุญ เธอก็เลยเอาหนังสือทั้งหมดพร้อมทั้งปัจจัยใส่ซองไปถวายวัดทั้งที่ทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงินไม่ถึงพันแต่เธอก็ใส่ซองถวายไปสองรที่เหลืออีกนั้นก็เก็บเอาไว้ใช้จากนั้นเธอก็หอบลังหนังสือเดินทางไปวัดนั้นด้วยใจที่มีปิติเต็มเปี่ยมหวังว่าครั้งนี้คงจะไม่มีมารหรือมีอะไรมารบกวนที่อาใจที่ตั้งมั่นของเธออีกแล้ววัดที่เธอจ้าหนังสือไปถวายนี่คล้ายๆวัดป่ามีต้นไม้เยอะ มีลานธรรมสงบเงียบดีแต่คงจะเริ่มมีการก่อสร้างโบสถ์หรือว่าวิหารใหญ่ๆขึ้นเพราะว่ามีคนงานกําลังทํางานกันขยันขันแข็งอยู่ตอนนั่งกราบพระประธานที่ลานธรรมอยู่ก็มีคนมาบอกเธอเรื่องของกฎของที่นี่ว่าของที่นําไปถวายนั้นถวายให้ได้เฉพาะกับเจ้าว่าเท่านั้นห้ามถวายแก่พระรูปอื่นพอเธอรู้อย่างนั้นเธอก็เอาหนังสือเข้าไปถวายท่านที่ศาลา ตอนนั้นเห็นท่านเจ้าวาดกําลังคุยกับญาติโยมกลุ่มหนึ่งอยู่เขาคงกําลังนําปัจจัยมาถวายช่วยสร้างโบสถ์ซึ่งดูด้วยตาแล้วในซองก็คงจะมีจํานวนเงินที่น่าจะสูงอยู่เพราะเห็นเจ้าวาดยิ้มแย้มโอภาปราศัยด้วยนานเธอก็นึกถึงจํานวนเงินที่โยมคณะนั้นนํามาถวายท่านกับเงินสองในซองของตัวเองที่จะถวายบ้งางเธอก็ใจแป้วเปรียบเทียบกันแล้วเงินของเธอมันคงไม่มีความหมายอะไรเลย เธอก็เลยได้แต่นั่งรอพร้อมกระทำใจยอมรับกับความผิดหวังซึ่งมั่นใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆในใจก็คิดว่าตาเราก็เห็นอยู่แล้วว่าวัดกำลัง ส, งสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะเขาคงไม่มีเวลามาสนใจเรื่องหนังสือหนัาหาที่เธอนำมาถวายหรอกเงิน200อบาทนี้ก็เหมือนกันไร้ค่ามากพอคนพวกนั้นไปก็ถึงคิวของเธอแล้วอ่าเธอเข้าไปกราบท่านเสร็จแล้วท่านเจ้าวาดก็ถามว่านั่นอะไร เธอก็เลยบอกไปว่าหนังสือค่ะจะนํามาถวายให้วัดไว้ใช้ท่านถามว่าหนังสืออะไรเธอก็บอกไปว่าหนังสือธรรมะท่านเจ้าวาดพูดทวนว่าหนังสือธรรมะเลยแล้วก็ทําหน้าแบบเพลียๆจากนั้นก็พูดว่าเอา้ามาโยมนะพูดแบบรำคาญรำคาญแล้วก็สวดแบบรีบร บ, รบสวดเสร็จแล้วก็ลุกเดินออกไปเลยไม่ถามถ่ายอะไรเธออีกเลย เท่าที่เปรียบเทียบกันแล้วการต้อนรับของท่านไม่เหมือนกับที่ท่านทำกับคณะโยมตะกี้นี้สักนิดหนึ่งเธอก็รู้สึกเลยว่าไร้ค่าไร้ตัวตนมากเลยเธอรู้สึกไม่ดีมากเลยจากนั้นก็เริ่มหมดความมั่นใจที่จะไปทำบุญทำทานเหมือนที่เคยมาอีกแล้วแต่พอเลิกทาบุญแล้วเธอก็รู้สึกเคว้งคว้างมากเหมือนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไม่รู้จะหาความสุขความสบายใจได้จากที่ไหนอีก เพราะที่พันผ่านมาเวลาเธอไม่สบายใจก็ตะเวนไปกราบพระแล้วก็หาของไปถวายพระอย่างที่บอกแต่ไม่ว่าจะไปวัดไหนหรือเอาอะไรไปถวายก็ล้วนแต่ทำให้เธอไม่มีความสุขไปเสียทางนั้นมีคนเคยบอกว่าการทำบุญก็ตั้งใจทำอย่าไปสนใจอะไรกับเรื่องพวกนี้ถ้าคิดว่าจะให้ก็สละไปเลยอย่าไปสนใจเก็บยึดความรู้สึกไว้ แต่บอกตรงๆว่าอันที่จริงเธอก็ไม่เคยสนใจหรือว่าเสียดายของที่ถวายเลยแต่ไม่เข้าใจคนอยู่วัดพวกนั้นมากกว่าบางทีก็ไม่เข้าใจความเป็นไปของคนสมัยนี้ด้วยแหละเธอคิดหนักหรือว่าคนสมัยนี้การทําบุญต้องใช้เงินเยอะๆหรอือเราต้องรวยก่อนเท่านั้นใช่ไหมจึงจะไปวัดไปทําบุญได้โดยที่ไม่อายใครไม่รู้สึกตะกิตตะขวงใจแล้วก็ไม่รู้สึกผิดรู้สึกเป็นทุกข์เป็นต้น ยอมรับว่าเธอจมปลักอยู่กับความรู้สึกแบบนี้เวลาผ่านไปนานอีกเป็นปีกว่าเธอจะรวบรวมความกล้าเข้าวัดอีกทีนี้เธอไม่ได้นําอะไรไปถวายด้วยแค่อยากจะกราบพระอยากไปวัดให้สบายใจถึงจะไม่มีอะไรถวายแค่มีเงินห้าบาทสิบาทย้อนลงในกล่องบริจาคเธอก็คงได้สบายใจขึ้นแต่แล้วก็นับเป็นหน้าบุญของเธอจริงๆที่วันหนึ่งเธอได้มาพบกับน้องผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเป็นเสมือนแสงสว่างที่มาสองทางให้เธอมองเห็นอะไรอะไรได้ชัดเจนขึ้นเธออยู่ดูโลกมานานว่าเธอเสียเปล่าแต่เรื่องแบบนี้กลับคิดอะไรไม่ออกเอาแต่คิดวนเวียนอยู่ในกะลาครอบเดิมๆไม่เคยเอาตัวเองออกมาจากวังความคิดแคบๆของตัวเองได้หน้าบุญในที่นี้มีความหมายเดียวกับคำว่าโชคดีแล้วก็ย่อ ม, มาจากคำว่าศรัทธาหน้าบุญคำคำนี้คนทางบ้าน ของเธอเขาใช้กันตลอดถ้าอย่างจะมีอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นแต่ว่าโชคดีที่มันไม่เกิดหรือว่าคนที่ทางภาคกลางเขาเรียกว่าเดชะบุญนั่นเองความหมายเดียวกันคุณนิสากับน้องผู้หญิงคนนี้มาจากพื้นเพเดียวกันทางภาคเหนือแต่ว่าเธอไม่ได้กลับไปอยู่เหนืออีกเลยผิดจากน้องคนนี้ที่เธอยังมีบ้านอยู่ที่บ้านเกิดแล้วก็เดินทางไปมาเสมอ การได้เจอกันที่วัดนั่นก็คงจะเกิดจากศรัทธาหน้าบุญของเธอนั่นเองแหละที่ทำให้เธอไปเจอเข้าเธอก็ถามคุณนิสาว่าพี่มารอสวดมนต์เหรอคุณนิสาก็อึกอักอึกอักเพราะไม่รู้ว่าที่วัดนี้มีการสวดมนต์เย็นวันอาทิตย์มาก่อนที่มานั่งเ อ, อ๋อเม่อยอยู่ใต้ต้นพิกุลหน้าวิหารก็เพราะไม่รู้จะไปไหนหรือว่าทาอะไรมากกว่าคุณนิสาเพิ่งจะมาที่วัดนี้เป็นครั้งแรก ลงจากรถเมก็เดินจากป้ายรถเมก็เรื่อยเปื่อยมาทางนี้เห็นประตูทางเข้าวัดใจก็พุ่งปราดมาอยากจะกราบพระเพราะช่วงเนี้ยเธอห่างเหินกับการทําบุญของตัวเองมานานเต็มทีเดินเข้ามาเรื่อยเรื่อยเข้าไปกราบพระในวิหารแล้วก็ลงนั่งใต้ต้นพิกุลลมพัดเย็นๆคิดอะไรเพลินเพก็พอดีมาเจอน้องเข้า้าเขา ปกติคุณนิสานี่ไม่คุยกับคนแปลกหน้ากลัวจะไม่ทันเขาก่อนหน้านี้เธอชอบคิดว่าคนสมัยนีย้มีวิธีการหาเงินหรือว่าทำอะไรแปลกๆเขาอาจจะคิดว่าผู้หญิงแก่ๆใกล้เกษียณตัวคนเดียวอย่างเธอนี่จะมีเงินให้เขาหลอกก็ได้เธอก็เลยคบคนให้น้อยที่สุดดีที่ว่างานตำแหน่งลูกจ้างแผนกที่เธอทำอยู่ในหน่วยงานรัฐเนี่ยมีคนที่เธอคบได้เพียงไม่กี่คนก็คบกันเรื่อยๆเปื่อย ตามสายอาชีพและหน้าที่เท่านั้นสังคมของเธอก็เลยแคบมากๆผิดกับน้องคนนี้เธอเล่าให้คุณนิสาฟังว่าเธอเป็นนักเดินทางเธอชอบท่องเที่ยวทั้งโลกภายนอกและโลกภายในโลกภายนอกก็เป็นโลกที่เราอยู่นี่แหละเธอได้พบเจอคนแล้วก็ผู้คนสถานที่แปลกๆต่างๆมากมายเป็นโลกกว้างที่เธอบอกว่ายิ่งเที่ยวมากเท่าไหร่ก็เหมือนไม่มีอะไรใหม่อีกต่อไปแล้ว ในขณะที่โลกภายในที่เธอท่องเที่ยวอยู่นั้นก็หมายถึงการปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิทำเพียพรภาวนาซึ่งก็มีแต่เรื่องที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่ให้เธอได้ค้นพบอยู่ทุกครั้งเธอก็บอกคุณนิสสาว่าการพบคนใหม่ๆยังไงก็ไม่เหมือนการค้นพบสิ่งใหม่ๆในตัวเราเองสักครั้งเธอก็บอกคุณนิสสาว่าเธอเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ชอบการสวดมนต์ภาวนามากเพราะว่ามันทําให้เธอสงบก็เลยพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน วันนี้ดีที่ว่าเธอมาก่อนเวลาก็เลยมีเวลาพูดคุยกันสองสามชั่วโมงเธอก็เล่าถึงสิ่งที่เธอไปพบในการทำบุญแบบเดียวกับคุณนิสาอ่าก็คุยกันหลายเรื่องนะเธอก็บอกคุณนิสาหลายอย่างแต่เท่าที่จำได้แม่นก็คือเธอบอกกับคุณนิสาว่าการทำบุญขึ้นอยู่กับจริตของคนในส่วนของเธอเธอชอบทำบุญด้วยการปฏิบัติเพียรภาวนามากกว่าการให้ทาน ไม่ใช่ว่าเธอไม่ชอบการให้แต่การให้นั้นต้องใคร่ครวนให้ดีมีข้อแม้เงื่อนไขยเยอะแยะไปหมดเพราะว่าสมัยนี้จิตใจของผู้คนไม่ได้อยู่ที่ระดับเดียวกันสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่คนอื่นคิดเนี่ต่างกันหลายขั้นหลายตอนมากเธอก็บอกกับคุณนิสาว่าถ้าคุณนิสสาเป็นคนคิดมากละเอียดยิบย่อยในเรื่องการให้ทานแบบนั้นเธอก็ควรจะหันมาถือศีลสวดมนต์ทำแบบที่ เธอทำเพราะว่าอย่างน้อยคุณนิสาก็ไม่ต้องทุกขจากการไปพบเห็นกิริยาอาการแปลกๆของผู้รับแทนที่จะได้บุญได้ความสุขความสบายใจเธอคงไปได้บาปแทนนะการปฏิบัติการถือศีลส่วนมนภาวนาคือการทําความเพียรด้วยตัวเราเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเขาเลยตัวของเราเองอยู่กับตัวเราเองเท่านั้นความสงบสุขก็เหมือนกันเกิดที่ตัวเราเอง เราทำได้ดีมากเท่าไรใจเราสงบก็สงบได้เท่านั้นแต่ถ้าเธอยังชอบที่จะให้มีความสุขที่จะให้ทานอยู่ก่อนที่จะให้ทุกครั้งก็ควรจะหลับตาแล้วก็ระลึกว่าเรากำลังทำบุญกับพระพุทธเจ้าอยู่ถ้าใจเราจะได้เป็นกุศลผลบุญนั้นก็จะได้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีความขุ่นคล้องหมองใจเกิดขึ้นกับบุญกุศลที่เราสร้างในขณะนั้นทั้งก่อนทาขณะทำและหลังทำ ทั้งนี้ไม่ควรไปเพ่งเล็งกับตัวผู้รับด้วยไม่ควรคาดหวังว่าจะได้รับปฏิกิริยาอย่างใดจากผู้รับแต่ทางที่ดีถ้าไม่แน่ใจในตัวผู้รับก็ควรจะเลิกการให้ไปเลยย่อมจะดีซสกว่าเพราะเราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ในภายหลังอ่าเธอพูดบอกว่าพี่เชื่อหนูไหมอ่ะถ้าพี่เชื่อในสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก่อนจะปรินิพานว่าให้นับถือพระธรรมของพระองค์ท่านเป็นสาระพี่จะไม่ผิดหวังเลย คุณนิสาฟังแล้วก็คิดว่าจริงถ้าคนเราแค่ยึดศีลห้าอันเป็นศีลธรรมเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้สังคมก็คงสงบสุขที่ทุกวันนี้สังคมยังวิปริษฐ์ศีลธรรมเสื่อมมีเรื่องบา้าบาบๆเกิดขึ้นในวงังอาวงการสงฆ์มากมายก็เพราะคนไปยึดติดที่ตัวบุคคลไม่ได้ยึดพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเมื่อคนไปยึดติดตัวบุคคลมากๆเข้าแห่แหนเชื่อกันว่าพระรูปนั้นดีรูปนี้เด่น โดยที่ไม่ได้รู้ได้เห็นจริงๆเชื่อตามที่เขาบอกต่อๆกันมาพระสงค์องค์เจ้าก็เลยทําตัวพิลึกพิลั่นกันมากมายบางก็เป็นมากถึงขั้นทรงเจ้าอเออมีอย่างที่ไหนพระยอมให้ผีเข้าร่างได้พระต้องอยู่สูงกว่าผีสิผีต้องกลัวพระไม่ใช่เหรออ่ะเธอคิดอย่างนั้นแต่ก็นั่นแหละเพราะสังคมทําให้มีเรื่องเป็นแบบนี้คนนับถือเงินแข่งกันถวายเงิน ยิ่งบางรูปที่รู้วิธีหาเงินเอาจากความงมงายของชาวบ้านคนห่มเหลืองพวกนี้ก็อาศัยทางนั้นนะ่ะหาเงินเป็นล่ำเป็นสันถ้าพี่มัวแต่ส่อหาวัดหรือว่าส่อหาพระที่เหมือนอย่างใจพี่นะเชื่อเธอประเทศไทยทั้งประเทศพี่ก็หาไม่เจอหรอกพี่จะหลงทางไปเรื่อยๆถ้าพี่ไม่ได้ยึดพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักยึดไว้ในใจวัดที่ไหนพระรูปไหนพี่ก็คงกราบไม่ลงหรอกแต่ถ้าพี่เชื่อว่าพระพุทธองค์เนี่ย อยู่ในหัวใจพี่ศรัทธาของพี่ก็จะอยู่สูงเหนือขว่าอื่นใดพี่ก็จะเข้าวัดได้ทำบุญได้สนิทใจอ้าวแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือใจของพี่จะบอกพี่เองล่ะเชื่อหนูเถอยิ่งถ้าพี่ปฏิบัติแบบหนูเนี่ยไปเรื่อยๆนะใจของพี่จะเลือกทางที่ถูกต้องให้กับพี่เองพี่จะไม่มีวันเขวถ้าพี่เชื่อพระธรรมของพระพุทธองค์แล้วก็ตั้งใจปฏิบัตินะ วันนั้นเองเป็นวันแรกที่นิสาเริ่มสวดมนต์เย็นแล้วก็ฝึกปฏิบัติร่วมกับเธอเธอก็เพิ่งจะรู้ว่าที่เธอคิดว่าตัวเองไม่ชอบถือศีลสวดมนต์ก็เพราะไม่ถูกจริญไม่มีเวลาที่แท้มันเป็นแค่ข้ออ้างแล้วก็เป็นสิ่งที่เธอคิดไปเองเท่านั้นแล้วเธอก็ไม่เคยรู้เลย ว, ว่าการถือศีลสวดมนต์มันดีเพียงใดก็เพราะไม่เคยทําไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลย อาจจะเป็นเพราะในสังคมแคบๆคนรอบตัวของเธอคอยแต่จะพูดกล่าหูว่าคนที่มาถือศีลสวดมนต์หรือว่าชอบปฏิบัติหรือพวกนุ่งขาว่วมขาวมาวัดบ่อยๆเป็นพวกเพี้ยนเพียนหลุดโลกอยู่ในโลกความจริงไม่ได้ยิ่งเธอเองเป็นสาวโสดอยู่ตัวคนเดียวแล้วพอเข้าวัดก็มีแนวโน้มจะเป็นคนบ้าหรือว่าอยู่คนเดียวจนเพี้ยนอย่างที่พวกนั้นก็เคยบอกเธอเธอก็เลยถือเอาการทาบุญได้การให้ทานเป็นหลัก อย่างน้อยก็จะได้ไม่มีใครหาว่าเธอเพีย้ยนแล้วก็ชื่นชมเธอว่ามีฐานะพอจะมีกินถึงได้สรรหาของกินของใช้ดีๆแพงๆมาถวายวัดเมื่อมาพิจารณาตรงนี้แล้วเธอก็ได้พบความจริงว่าอันที่จริงหนทางที่เธอทํามาตลอดนั้นเป็นการทําเพื่อคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมองตัวเองว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่การทําเพื่อตัวเองให้ตัวเองสุขสงบจริงจังมาถึงตอนนี้เธอก็มั่นใจแล้วว่าเธอมาถูกทาง การถือศีลปฏิบัติทำให้เธอเห็นอะไรต่างๆชัดเจนขึ้นรู้ดีว่าใครมาดีมาร้ายอาจจะเพราะว่าพอเธอได้ทำสมาธิใจสงบนิ่งเธอก็มองเห็นรายละเอียดของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นเธอสัมผัสได้หมดว่าใครมาดีหรือว่ามาร้ายและที่สำคัญเธอมีสติปัญญามีใจที่แข็งแรงขึ้นมากๆด้วยแปลกประหลาดเลือเกินที่ชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้น ภายในหนึ่งปีเท่านั้นหลังจากที่ได้พบเจอน้องคนนั้นซึ่งหลังจากนั้นเธอก็เจอเธออีกไม่กี่ครั้งเธ อ, อยังเดินทางตลอดแล้วก็บอกกับคุณนิสาว่าไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนไปสวดมนต์หรือว่าปฏิบัติที่วัดไหนความสุขสงบทางจิตใจของเธอก็คงที่เพราะว่าเธอยึดพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาชี้นําทางชีวิตเธอดี ใ, ใจที่เห็นคุณนิสามีความสุขขึ้นสงบขึ้น เมื่อเธอยึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสถิตยอยู่ในดวงใจแทนความเชื่อถืออย่างอื่นใดที่เธอบอกนับเป็นศรัทธาหน้าบุญของเธอจริงๆที่ได้พบทางที่ถูกต้องอาจจะเป็นเพราะใจเธอฝักใยในการทําบุญอยู่เสมอแต่เพราะความเข่าที่มัวแต่มงุมมางาอาหรายู่นอกทางเส้นานได้มาพบน้องคนนี้ที่วัดก็เป็นศรัทธาน้าบุญจริงๆทุกวันนี้คุณนิสาพูดได้อย่างเต็มปากว่าเธอเป็นพุทธแท้ แล้วก็ยังสามารถบอกใครๆที่กำลังเคว้งคว้างไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจว่าให้เร่งทำบุญเถอะเพราะบุญคือความสุขความสบายใจและเราเลือกได้ว่าเราอยากจะทำให้ใจเราทุกข์หรือใจเราสุขจากบุญกุศลที่เราได้สร้างมาบุญในความหมายของพระพุทธศาสนาก็คือความดีอะไรที่เราทำไปแล้วเป็นความดีทําแล้วทําให้จิตใจบริสุทธิ์ทาแล้วทาให้ละวางกิเลสภายในใจ นั่นก็คือบุญการทำบุญไม่ใช่ต้องใช้เงินเยอะแล้วได้บุญเยอะแต่ว่าให้ใช้ใจทำคือมีเจตนาทำที่บริสุทธิ์เจตนาที่ทำเพื่อหวังจะช่วยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจึงจะได้บุญเยอะคือได้ความดีเยอะแม้การทำบุญได้การทำทานก็เหมือนกันถ้าเราตั้งใจจะทำทานแล้วการให้ทานหรือว่าบุญที่เราสร้างนั้นบุญจะสำเร็จได้ตั้งแต่ของอยู่ในมือที่เราตั้งใจจะให้เขาแล้ว การให้ทานไม่จําเป็นจะต้องเลือกให้ของดีๆแพงๆหรือว่าเลือกให้เฉพาะเจ้าอาวาสพระหรือเนนแต่การให้ทานนั้นคือการให้ของที่จําเป็นกับเขาจริงๆให้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเด็กผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งหมาแมวสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ถ้าเราได้ให้แล้วเราก็สบายใจคนที่เราให้เนี่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่การให้นั้นก็เป็นบุญแล้วแม้กระทั่งการหยอดตู้บริจาค ก, ก็เหมือนกันอ่า บอกได้เลยว่าการหยอดตู้นั้นก็ได้บุญถ้าใจเร า, เราอยากจะทําบุญจริงๆการหยอดเงินลงตู้บริจาคเป็นบุญที่เกิดจากการทําทานการตั้งใจให้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกหยอดบาทสองบาทตามกําลังที่อยากทําก็ทําไปบุญนั้นก็สำํำลิดผลเช่นเดียวกันตราบใดที่ไม่ได้มีการบังคับว่าต้องทําบุญใส่เงินเท่านั้นเท่านี้แต่ตู้บริจาคเป็นทางเลือกที่ใครก็ตามมีใจที่เป็นกุศลอาจจะผ่านเข้าไปในวัด หรือเห็นตู้บริจาคเขาวางไว้ตามที่ต่างๆถ้าอยากทำบุญทําทานด้วยการเสียสละทรัพย์แบบง่ายๆไม่เสียเวลาก็สามารถเลือกหยอดได้บาทสองบาททําไปเลยคุณนิสาบอกว่าเชื่อหรือไม่ว่าหลังจากที่เธอหันมาปฏิบัติธรรมถือศีลสวดมนต์เธอได้ในทุกสิ่งที่ต้องการเหมือนกับว่าเมื่อใจของเราตั้งมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแล้วก็มีคนจูงเรามาถูกทางเมื่อเราภาคเพียรดันด้ น, ดนไปเราก็จะพบในสิ่งที่หวัง เรื่องการงานเธอก็ได้เลื่อนขั้นก่อนเกษยียณอย่างไม่คาดวันนั่นก็หมายความว่าชีวิตหลังเกษยียณของเธอจะได้ทําบุญสะดวกสบายขึ้นไม่อดอยากขาดแคลนเพราะว่ามีบําเหน็จบํานานจุนเจอือแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อตําแหน่งงานของเธอมีขีดขั้นมากขึ้นเพื่อนร่วมงานทุกคนก็มองเธอในทางที่ดีขึ้นมากแล้วก็ให้ความเคารพ น, นอบน้อมต่างจากเดิมมากต่อมาอีกไม่นาน คุณนิสาก็ได้ครอบครองสิทธิในมรดกของพ่อแม่หลังจากที่มีปัญหาหยืดเยื้อเป็นคดีแย่งมรดกที่น่าเบื่อหน่ายและเธอถอดใจไปหลายครั้งแล้วว่าถ้ามันจะไม่ได้เธอก็ไม่เอาแล้วเพราะยิ่งคาราคาซังเธอก็ยิ่งกลายเป็นหมาหัวเน่าในวงญาติไม่มีญาติพี่น้องคนใดในครอบครัวคบค้าด้วยทั้งๆ ท, ที่สาเหตุการณ์ยื้อแย่งนี้ไม่ได้เกิดจากตัวเธอเลยแต่แล้วอยู่ๆทุกอย่างก็คลี่คลายไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ พอสารตัดสินว่าเธอได้ครอบครองทรัพย์สินท่าทีของลูกหลานญาติพี่น้องก็เปลี่ยนไปทุกคนก็เข้ามาหาเธอนับแต่นี้ไปเธอก็ไม่ใช่คนตัวเปล่าไม่ใช่คนหัวเดียวกระเทียมรีบอีกแล้วแต่เธอมีพร้อมมีคนห้อมล้อมที่พอจะฝากผีฝากไข้ได้นึกถึงตอนที่ตัวเองกระเซาอกระเซิงแบกเชิงเทียนกระถางถูวไปถวายพระที่วัดโน้นวัดนี้ได้กราบพระในแบบที่ได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจบ้าง สมสารไปขอพอรให้ได้พบทางชีวิตที่สว่างขอให้ผ่านปัญหาไปได้ขอให้ได้พบทางออกแต่ยิ่งทําก็เหมือนยิ่งทุกข์แต่ว่าตอนเนี้ยความสมหวังทุกอย่างกลับพุ่งมาหาตัวเธอเองนับตั้งแต่ได้เจอน้องคนนั้นเธอได้มารับฟังเรื่องราวของคุณนิสาก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดที่เป็นบุญกุศลต่อกันและเมื่อเธอได้ตั้งใจภาคเพียรทําตามที่เธอบอก ยึดมั่นในพระพุทธเจ้ายึดมั่นเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านเป็นสาระเธอก็สมหวังทุกประการอย่างนี้จะไม่เรียกว่าศรัทธาบุญได้เกิดขึ้นแล้วกับเธอได้อย่างไรใช่ไหมครับ